วันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2557ในช่วงในงานในวัดของเราก็คือทหารทหารมาลอกสะน้ำขององค์หลวงตาหลวงตามาทำสาน้ำให้กับวัดเราหลายปี แต่ตื่นเขินน้ำมันไม่อยู่แต่ตะก่อนนกเป็ดลงเป็นพันแต่ปีที่แล้วสองปีม่นี้ฝนไม่ดีก็ทำให้น้ำแห้งหลวงพ่อคิดว่าเอ๊จะถมจะถมให้เป็นลานวัดไปหรือเปล่าก็มาพิจารณาดูแล้วก็เป็นฝีมือของจตุปัจจัยของหลวงตาที่ท่านสงเคราะห์กับวัดเรา เราควรจะเอาไว้ก็เลยให้ทำเรื่องไปทางหน่วยพัฒนาของทหารเข้ามาได้สามวันสี่วันแล้วกำลังขุดอยู่เนื้อที่สะลูกนี้ก็ประมาณเป็นสิไร่เหมือนกันนะลูกหลานการัทตาญาณโยมที่ลวงตาใช้เงินค่าน้ำมันขุดให้ข่าวนั่นก็คือเนี่ย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กรลอปกลางนี่แหละทำอ่ะแต่ก็คิดว่าเมื่อวานท่านโยมผู้การหัวหน้าใหญ่จะอุดรมาดูท่านขากำชับลูกน้องแต่หลวงพ่อกลัวอย่างเดียวพอเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาแล้วเนี่ยกลัวฟ้าฝนจะมาเพราะฟ้าฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะพวกทหารกรลปกลางเขาอาจจะปลูกตะไคร เอาหลากสีขึ้นฟ้าก็ไม่รู้ลนะห้ามฟ้าห้ามฝนไว้ก่อนถ้าฝนตกลงมาแล้วก็คงเละตุ่มเป๊ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งกำลังทำกันอยู่ในวัดของเราแต่จากศาลาของเราไปไปมันไกลได้เป็นกิโลไม่ได้ยินดกเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์รถแม็กโคตั้งสามสี่ตัวนะสี่ห้าตัวแท็กเตอร์ใหญ่อีกสองตัว ลดสิบร้อยเอกจะคงจะเข้ามาวันนี้มั้งสามตัวหรือสี่ตัวหลวพ่อก็ยังก็ยังพูดพูดกันอยู่แต่เขากลัวจะไม่พอรถรถสิบร้อยขนดินกําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะเอากันยังไงแต่เขาก็จะเร่งเร่งให้เร็วที่สุดเมื่อวานก็ให้พวกพระท่านจันหน่อยท่านลุน พวกท่านต่ำไปดูๆช่วยๆดูนะอำนวยความสะดวกมีอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรก็บอกกับหลวงพ่อมาว่าเราจะทำแล้วก็ต้องพยายามทำให้เร็วให้ดีให้ทันก่อนฝนมาให้เสร็จก่อนฝนมาได้ก็ดีถ้าฝนตกมาแล้วก็จะยุ่งยากแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ได้บอกให้ ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่วัดของเราเนะี่ยแหละไปดูสถานที่ที่หลวงพอ่อคิดว่าที่หลวงพ่อประ ก, กาศเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2557ัที่ศาลาใหญ่เนื่องในวันเกิดของหลวงพ่อวันที่27เนะย็นวันที่26สวดมนต์เย็นพร้อมกับพรสสงคณะศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อประ ก, กาศว่าหลวงพ่ออาจจะ สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หรือว่าพิพิธภัณฑ์แต่หลวงพ่อก็ดูสถานที่ไว้สองแห่งก็แห่งแรกก็ยุ่ที่ศาลานอกแต่แห่งแห่งหนึ่งแห่งที่สองกนันเี่เข้ามาในวัดของเราแต่ในวัดของเราเนี่ก็เป็นฝั่งแม่น้ําฝั่งน้ําลำลําราง เป็นมีน้ำที่มีเขื่อนอยู่แล้วนะเมื่อวานนี่เป็นปฐมมาเลิกจ ะ, จะหน่อยให้เอารถแม็โคเข้ามาดูตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นได้สักสองตัวแล้วคคงจะดีนะลงพ่อว่านะวางปฐมมาเลิกแล้วเมื่อวานเนี่ยแต่เข้าไปดูลงพ่อก็เดินไปดูแล้วโอ้กว้างแต่ไม่ได้ทำลายป่าหรกจุดนี้มันเป็นป่าอ้อป่าแขม ป่าเราในลำลรางติดกับแม่น้ำติดกับเขือ่อนแต่ถ้าว่าจะสร้างก็คงจะถมดินขึ้นมาพอมันเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เลยว่าบวมบวมลางนะใครๆอยู่ในละแวกนั้นจนะเข้าไปดูแล้วโอ้วัดของเราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาเนี่ยพันกว่าไร่ยังไม่ไดพัฒนาให้เป็น ป่าเป็นต้นไม้ได้ยังเยอะอยู่นาแล้วก็มองตรงข้ามอีกเกือบสิบไร่อีกไอ้ตรงที่ว่าเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าไร่ที่ว่าจะสร้างอันนี้คือมาจีดีเนี่ยคนนั้นวันนี้ทามีโอกาสให้พออจุจิตไปถ่ายภาพไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะวันเป็นวันวางประถมมาเลิกเป็นวันวางที่จะ ทำอะไรต่อไปภายภาคหน้านะแต่เราต้องดูซะก่อนแต่เราจะเอาไหมเมื่อปรับหน้าดูดูหน้าดินแล้วนะถ้าดูหน้าดินแล้วอโอ้คงไม่เหมาะจุดนี้เราก็อาจจะปลูกป่าขึ้นมาก็ได้ปลูกไม้ประดูมักข่าตะเคียนทองขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นดินโอ้ดินดีมากดูๆแล้วเป็นดินติดล้ำล้ำน้ำเหมาะที่จะปลูกอะไรได้ทั้งนั้น แต่มันปลูกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นป่าอ้อป่าแขมป่าที่รู้สึกว่ามันเป็นป่าที่หนาแน่นมากขนาดพวกผู้สูงอายุผู้เฒ่าไปถางป่ายังเห็นงูสามเหลี่ยมงูทําทานกลางวันเหมือนกันนะอยู่ในแวกนั้นงูเหลือมไม่ต้องพูดถึงลนะแต่งูเหลือมน่ากะคงจะอยู่อยู่แถบนั้นอนะ่ะเพราะมันใกล้น้ำ นี่หลวงพ่อไปดูเมื่อวานเออต้องดูดูแล้วก็เป็นทำเลที่เหมาะที่เดียวในความรู้สึกของหลวงพ่อนะแต่ก็คงจะได้ใช้การลงทุนถมดินเนี่ยนะตัวนี้แหละคงจะได้ใช้แรงมากพอสมควรเพราะมันอยู่ในที่ลุ่มพอสมควรแต่ถมที่ขึ้นมาแล้วมันก็จะติดลอลําน้ํำน้ําเขื่อนเขื่อนตัวนี้เกิดหลวงตาเนี่ยเป็นผู้ออกทุนให้ ท่านมาช่วยตั้งโอนเงินมาทั้งสิบล้านมาช่วยเขื่อนตัวนี้เขื่อนลำรางนะไม้แยงลงขนาดอยู่ในฝั่งๆแล้วก็จะ4สี่เมตรประมาณสี่เมตรแล้วถ้าตรงกลางเนะี่ยคงจะลึกพอสมควรน้ำจุดนี้น้ำเขียวปีเลยเห็นแล้วก็อือก็คงจะใกล้เจดีย์ด้วยใกล้น้ำด้วยแต่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดที่พัก ปฏิบัติธรรมของวัดเราที่วัดเราอีกอยู่ฝั่งหนึ่งทางพระเจดีย์อีกฝั่งหนึ่งหลวงพ่าพ่อบ่คงจะเหมาะเพราะมันเป็นน้ํากั้นอยู่ตรงกลางอยู่คนละฝั่งเป็นที่สงบสงัดไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเพราะวัดของเรานี่ตั้งพันกว่าไร่ดูสิพันกว่าไร่พันสามร้อยห้าสิบไร่เพราะนั้นเราจะลงที่ตรงไหน ดูปรับปรับหน้าดินดูแล้วก็ส่องกล้องดูแล้วก็พอไหมเนือ้อเนื้อที่ขนาดนี้ถ้าไม่พอเอาตรงอืน่นเอเอาตรงไหนได้ทั้งนั้นหลวงพ่ออนุญาตทั้งหมดในวัดของหลวงพ่อเนี่ยขนาดที่จะว่าเอาตรงซีสารา น, นี่แหละหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละเอาสาราตรงนี้แหละหลวงพ่อเออเอาเอาเลยหรือสาราพระพุทธรูปหละหลวงพอ่อขออน ทูลเชิญท่านออกไปไว้ข้างนอกสารานอกก็ได้ฮตรงนี้เป็นเจดีได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าพวกเราเห็นพ้องต้องกันเพื่อเชิดชูบูชาขององค์หลวงตาพานั้นหลวงพ่อไปดูจุดนั้นก่อนแต่หลวงพ่อคิดว่าเหมาะนะถ้าก็าไปช่วยๆกันดูๆนะอันนี้คล้ายๆว่าเป็นการวางวาง แนวความคิดก็วางฐานไว้ก่อนว่าไปเปิดหน้าดินปรับหน้าดินดูก่อนว่าเหมาะสมไหมอันนี้ก็คือการมันเสียหายไหมมีแต่ได้ประโยชน์ไม่ได้เสียหายที่ตรงไหนเพราเห็นไรเพราะมันมีแต่ป่าเลาป่าอ้อปลาแขมมันมาป่าที่ไร้ประโยชน์ทั้งนั้นแต่จะปรับให้มัน ราบข้าบระบบปรับให้มันดีอีกต่างหากพอปรับเสร็จแล้วนะอาจจะปลูกไม้ประดู่มักข่าตะเคียนทองใส่เป็นไม้พื้นของมันใส่ลนะจะเกิดประโยชน์อย่างมาก น, ะนี่แหละถ้าเราปรับไรได้แล้วก็เป็นมันก็ดีนะทำไม่ปรับมันก็อยู่อย่างนั้นแนะ่ะอย่างเดียวที่หลวงพ่อได้พูดว่าที่ในวัดของเรานี่ที่ยังไม่ได้พัฒนายังเป็นป่า ธรรมชาติหรือเป็นป่าที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ยังมีอยู่มากคําว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์นั่นคืออะไรแต่สําหรับเราเราก็ไร้ค่านะั่นแหะแต่สําหรับงูสําหรับงูสําหรับกระรอกกระแตสําหรับพวกสัตว์ทั้งหลายมัก็ได้พึ่งพาอาศัยมุดซ่อนอยู่ในในละแวกนั้นนะเพราะมันป่าดึกป่าทึบแต่มันก็เป็นป่าป่าแขมป่าเลวป่า ป่าญาพงญาพูดง่ายๆถ้าพูดอีแบบว่าพงญาติเนี่ยมันเป็นป่าทึบถ้าเข้าไปก็น่ากลัวนะขนาดเดินเข้าไปนี่ก็กลัวเหมือนกันกลัวงูกลัวงูขนาดโยมวัดก็บอกว่านะผมขึ้นไปตัดเป็นลีกิ่งไม้แถบแถบใกล้ๆเนี่ยงูเหลือมตัวก็เท่าขวดโคกเนะ่ย อยู่ในปลายไม้นนะหลวงพ่อนะปลายไม้สูงสูงนะโหมันขึ้นมาได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันพวกนะ่ะงูเหลือมก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมันไม่ใช่จะอยู่ในพงหญ้าอย่างเดียวนะมันขึ้นไปอยู่บนยอดไม้คนนะั้นหุ่นยอดไม้สูงอีกต่างหากเกือบเป็น10บกว่าเมตรเกือบ20เมตรเนีเขาขึ้นไปตัดเก่งไม้ที่มันจะลงใส่กุฏหลังคากุฏิ พอขึ้นไปที่ไหนได้ไปเจองูเหลือมอยู่บนยอดไม้อย่างนั้นก็มีนะนี่แหละแถบแถบนั่นแหละใกล้ๆที่หลวงพ่อที่จะไปปรับที่จะสร้างเจดีห์ือพิพิธภัณฑ์อะไรก็สุดแท้แต่พวกเราจะคิดกันต่อไปภายภาคหน้าแต่ให้ดูหน้าดินซะก่อนนะพนันวันนี้ก็ให้นัจันหน่อยท่านพวกพระไป ช, ช่วยกันไปดูหนะ้ะ อันนี้ก็คือปรับปรุงไว้อนาคตอนาคตคําว่าอนาคตฟังฟังทีว่าโคตรมันไม่ตรงนะมันอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังก็ได้มันคตมันคตมันโค้งฮะอันนี้เราก็คิดคิดไว้ทําให้คิดไว้เลยก็ไม่ได้คนเราเกิดมาไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความมุ่งหวัง ชังกระตายเป็นวันเดียวไม่ได้คิดวันพุ่งหน้าวันข้างหน้าเราจะวางแผนอย่างไรเราจะทําตนอย่างไรเราจะเดินอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราคืออะไรถ้าคนไม่มีอนาคตยแปลว่าคนชังกระตายอันนี้วัดของเราคืลักษณะนั้นนะขัติทายาโจมแต่อย่าไปคิดมากนะถ้าคิดมากเส้นเืจะแตกในสมองอีกเหมือนกันนะคิดเกินตัว คิดไม่รู้จักประมาณวิตกกังวลใช้คิดมากเกินตัวแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คิดเกินกว่าที่ตัวเองกำลังตัวเองมีอันนั้นก็ประเภทอย่างนั้นกเรียกว่าคิดบ้าบ้าบองบองคิดวิตกกังวล คิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นนะสิ่งนั้นก็เราก็ต้องต้องดูอีกเหมือนกันนะแต่คิดว่าที่เราวางแผนไว้นี่ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่หนักหนาแต่ไม่ต้องทุกข์ใจพอสิ่งที่เรามุ่งมั่นมามุ่งมั่นมุ่งหวังนั้นก็คือชําระกิเลส ข, ของเราจะทำยังไงใจของเราจรึงจลุด จะหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสถ้าเมื่อเราหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสแล้วนะอะไรก็ได้แต่ถ้าว่าเรายังไม่ชำระกิเลสยังไม่ไดนะ้อย่าไปถือสิ่งนั้นสำคัญกว่าให้ถือว่าเนี่ยงานชำระกิเลสของเรานะสำคัญกว่าเพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเหมือนกับเราจะไปช่วยคนอื่นะเรายืนอยู่บนฝั่งเห็นคนตกน้ำ เห็นบอเออเขามีชีวิตสําคัญกว่ากระโดดลงไปพอกระโดดลงไปเขาล็อกคอแตัวเองค่ายน้ําไม่เป็นอีกต่างหากตายด้วยการอีกต่างหากถ้าคนยืนอยู่ข้างนอกบัณฑิตนักปราศเขาก็ว่าโง่เขาก็ว่าโง่เขาไม่ได้ว่าอย่างอื่นนะตัวเองกําลังก็ไม่พอว่ายน้ําก็ไม่เป็นทําไมจึงกระโดดลงไปให้เขาล็อกคอตายกับเขา ใช้อย่างอื่นไม่เป็นเหรอช่วยอย่างอื่นไม่เป็นเหรอเรียกร้องคนที่เขาเก่งกว่ามาช่วยได้ไหมถ้าไม่งั้นก่สิ่งอื่นที่เราจะช่วยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วก็จะทำยังไงบรสุุวิสัยของเราท ร, รมาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเปขา ทำอุเปขาพระพุทธเจ้าจังให้วางไว้อีกไม่ใช่แต่มีแต่เมตตากับกรุณามุทิตานะอุเปขากะวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงค่าววิบัติพระตัวเองช่วยไม่ได้มันสุดกําลังสุดวิสัยสุดวิสัยของเราที่จะช่วยนะถ้าว่าเราพอจะช่วยได้เราไม่เราไม่ทําเราไม่ช่วยอันนั้นไปว่าขาดเมตตานะ แขาดเมตตาธรรมอย่างมากในกิจใหญ่หน้าตำหนิแต่มันสุดวิสัยของเราแล้วจะทำยังไงนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกัน่ะสุขสิงทุกอย่างถ้าเราเปรียบเทียบใช้ปัญญาสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดใช้ความรอบคอบเทียบเขาเทียบเราเทียบคู่คนการเป็นอยู่ทุกอย่างถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้ว หลวงพ่อว่านั่นแนหะเราจะรู้จักวิธีการทางเดินเราจะเดินยังไงเนีเราจะปฏิบัติยังไงเราจะเดินยังไงเราจะก้าวยังไงในการดําเนินในวัดของเราหรือว่าพวกกลุ่มของเราหรือว่าชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่ทึ้งยังไงก่นเน่ยเนีจุดหมายของเราที่เข้ามาบวชนั่นคืออะไรคือชําระกิเลสจดนิย่าลืบตัเอง ตัวนี้สำคัญมากอย่าลืมเพื่อชำระกิเลสให้ลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้นะคือจุดหมายจุดมุ่งมั่นและจุดหลักหรือว่าจุดที่พวกเราจะต้องมองดูตลอดเวลาจุดอย่างอื่นเป็นจุดรองนะอย่าไปถือว่าจุดอื่นเป็นจุดชีวิตของเราไม่ใช่นะถาวัถือว่าจุดอื่นเป็นจุดชีวิตของเรานั้นไปว่าคิดผิดจะแล้ว แต่ว่าจิตจุดของเราน่คือหวังความพ้นทุกหวังพ้นทุกหวังชำระ ก, กิเลสนะแต่นะี่ถึงอย่างไรอย่างไ ง, ง, ไงจึงจะเหน็ดเหนื่อยมาอย่างไรก็ต้องให้เดินโกรมให้นั่งภาวนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาถึงมรณานุสติระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอข้าจะต้องตายนะหลวงตาอินนะหลวงพ่ออินนะอาจารย์อินนะ อีกสักวันหนึ่งนะข้างหน้านะเนี่ยให้พิจารณาอยู่อย่างนั้นเสมอเะว่ามรณงเมภวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายถ้าคิดอยู่อย่างนี้แปลว่าอย่าประมาทนะเนี่ยเป็นไงภาวนาหลุดพ้นทุกข์หรือยังใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหรือยังเป็นที่อุ่นใจหรือยังเป็นที่สบายใจหรือยัง สิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องถามต้องถามตนเองนะอันนี้เราคือจุดของเราจุดหมายปลายทางของเราคือพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาพบหน้าชาตินาถ้าเราไม่พ้นทุกข์อย่างนี้แหะเห็นเห็นเห็นนี่เห็นอย่างที่เราเห็นนะถึงจะมีพ่อมีแม่ก็ต่ออีกสักหนึ่งวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องทิ้งกระดูกอีกสักวันหนึ่งเราก็ทิ้งกระดูกที่เรา สแสวงหามาล่ารวยขนาดไหนก็ก็จะต้องทิ้งทั้งหมดแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้พยายามทําให้ดีที่สุดแต่คิดในใจไปอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องทิ้งทั้งหมดนะอันนั้นคือความในใจต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นไว้อยู่เสมอถ้าคิดอยู่อย่างนั้นนะจะตั้งใจในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่ควรจะทําสิ่งไหนทําให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดสุดเป็นธรรมที่สุด ปฏิบัติตนยังไงต่อกิจการปฏิบัติตนยังไงต่อพ่อแม่ปฏิบัติตนย่องยังไงต่อวงศาคณะญาติปฏิบัติตนยังไงต่อญ า, า, าติมิตรสหายปฏิบัติตนยังไงต่อลูกน้องบริวารปฏิบัติตนยังไงต่อประเทศชาติบ้านเมืองมันจะรู้จักวางตัวทั้งหมดนะเมื่อวางตัวที่ถูกต้องแล้วนะ่ะอยู่ที่ไหนล่มเย็ดเป็นสุขทั้งหมดนะรับพรนุโมทนาให้พร